พวกเราเป็นนักบวชในชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพร้อมใจการศึกษาเราเรียนธรรมวินัยเมื่อรู้จักข้อว่าปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกหัดตนไป เอาชนะกิเลสหยาบๆไปก่อนเบื้องต้นนะ่ะการปฏิบัติเบื้องต้นนี่มันจะต้องได้ออกแรงมากสมควรทีเดียวอะ่ะเพราะกิเลสมันหยาบถ้าไม่ออกแรงมากหน่อยมันก็เอาชนะกิเลสชั้นหยาบนี้ยังไม่ได้เมื่อนักบวชนี่นะ เป็นผู้ฝึกตนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปจนเห็นผลขึ้นในใจของตนเองมั่นใจในพรหมจรรย์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยแพ่คำสั่งสอนของพระเถรเจ้านี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ แต่ถ้ากว่ายังฝึกตนไม่ดีพอสมควรเช่นนี้ก็ยังจะทำประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เพราะประโยชน์ตนก็ยังไม่เป็นไปยังไม่เป็นหลักเป็นฐานนั้นโทษบวชเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้พรรษา สิบขึ้นไปได้ชื่อว่ายังอยู่ในจัดว่าเป็นผู้ยังใหม่อยู่จะพันศาหนึ่งถึงพันศาห้าอันนี้ต้องถือนิสัยอยู่กับอุปชาอาจารย์ฝึกปรืออยู่ใกล้ชิดกับอุปชาอาจารย์แล้วก็ทั้งศึกษาเล่าเรียน ทำเรียนวิัยให้รู้แล้วก็ท่องปฏิโมกจำให้ได้ส่วนระยะห้าปีเนี่ยเราฝึกฝนตนทางด้านการศึกษาเราเรียนบ้างการเจริญสมถะวิปัตนาบ้างพวกผู้กันไปไม่เช่นั้นแล้วมันก็บกท่อง มันไม้มีความรู้แล้วก็เอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่าใครๆจะตามไปสอนเราทุกแห่งทุกขนทุกเวลาไม่ได้เลยผู้อื่นเพื่อนก็สอนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองพอต่อจากนั้นไปแล้วก็ตัวเองแหะสอนตัวเองทีนี้เมื่อตนไม่มีความรู้ในธรรมวินยัยก็ไม่มีอุบายแยบคายจะมาสอนใจตัวเองได้ นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เสื่อมจากพรมจรรย์น่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่ออยู่ก็อุปชาจันทร์ก็รีบเร่งเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จำเอาธรรมะที่ท่านแสดงให้ทีละเล็กทีละน้อยไป วันนี้ท่านแสดงเรื่องอะไรซึ่งเป็นหัวข้ออย่างนี้นะแล้วท่านอธิบายว่าอย่างไรนี่เราก็ต้องกำหนดจำไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็ได้ความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยไปถ้าฟังเฉยๆฟังแล้วไม่ไม่คิดว่าจะจดจำเอาหัวข้อธรรมะอะไร อันที่เป็นหัวข้อสาคัญสาคัญที่ท่านแสดงไปอย่างนี้เราจะฟังอยู่ไปจักกี่กันกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ผลไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรพวกนักเรียนสำหรอบที่จะไปแต่งกระท้เนี่ย น, นักทำตรีโทเอกก็ดีโดยเฉพาะนักทำโททำเอกขึ้นไป ต้องแต่งเป็นทรรนองเทศนาโวหารต้องอธิบายกระทู้ธรรมให้สัมพันธ์กันไปมีอุป ม, มาอุปมามีพาสิตมาอ้างนักธรรมโทก็ยกพาสิตมาอ้างสองข้อขึ้นไปนักธรรมเอกก็ยกพาสิตอื่นมาอ้างสามข้อขึ้นไปนักธรรมตรีก็ยกพาสิต มาอ้างหนึ่งข้อนั่นแหละเมื่อผู้ใดฟังธรรมะบ่อยๆเข้าไปถ้าฟังเป็นจับเอาใจความได้อเอาไปนึกคิดตรึกตองพิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถแต่งกระทู้ได้ เพราะฉะนั้นการฟังนี่ก็เชื่อว่าเท่ากับว่าเป็นการศึกษาเราเรียนอีกประการหนึง่งนอกจากเขียนนอกจากอ่านแล้วก็ฟังอีกประกอบเข้าด้วยเป็นอย่างนั้นเป็นท่ญญานแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเราฟังไปก็จำไปหากว่า พุทธประวัติออกมาอย่างนี้ล้วก็สามารถจะตอบปัญหานั้ น, น, นได้เพราะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นมันยืนตัวอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นพระพุทธเจ้าตัะรู้อะไรอย่างนี้นะ ทุกคนก็จะต้องตอบว่าตัสรุอริยสัจจะทำทั้งสี่แต่นั้นก็ยังไม่ถูกโดยสมบูรณ์ก็ต้องตอบว่าตัสรุในญาณทั้งสามคือปุเพนิวาสานสุสติญาณจุตูป ป, ปาตยญาณอาสวรคยญาณ แล้วก็จบลงด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่ถ้าตอบอย่างนี้มันก็ถูกบริบูรณ์ดีเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะหลักสูตรก็มีอยู่งั่นแล้วกว็เมื่อพระ อ, องค์ตัดสรู้ทีแรกนะพระ อ, องค์ก็ตัดสรู้ในยานสามนั่นแหละเมื่ออ่าวการยานบางเกิดขึ้นแล้ว ก็ทรงรู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่โดยสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นถ้าถ้ายังอาสวัคยายายังไม่เกิดอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็ยังไม่แก่มแจ้งเต็ ม, ม, มที่นั่นแหละให้ต้องเข้าใจในพุทธประวัตินี่ เมื่อเราศึกษาไปฟังไปทิจารณาไปมันก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราให้แรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยที่เรามานึกว่าพระพุทธเจ้านั่นทีแรกพระองค์ก็เป็นคนธรรมดานี่เนี่ยคนธรรมดาทดเหมือนกับคนทั่ ว, วไป จะนี้พอว่าพระองค์ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตั้งใจทํากุศลคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยบางชาติก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ท่านบวชแล้วท่านก็ไม่มีศึกเลยอยู่ไปจนตลอดชีวิต ในประวัติกล่าวว่าตอนข้างศาสนาพระพุทธเจ้ากัต ป, ปิยนี่พระองค์เกิดในตระกูลพรามมิทธาทิฏฐิพรามเหล่านั้นนับถือลศาสนาพรามไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่บังเอิญผู้เป็นบุตรเนี่ยได้นามว่าธรรมปาร ะ, จะเจริญไว้ใหญ่โตมากก็ไปได้ เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นอุบาสกได้บรรลุอนัคคามีในครั้งนั้นได้ไปผูกมิดกับอุบาสกอนัคามีคนนั้นบัดนี้อุบาสกคนนั้นก็พยายามสักจูงสหายของตนที่จะให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธ เ, เจ้าทีแรกเพื่อนก็ไม่ยอมไปเลย วันที่จะไปเองกิงก็ลงอาบน้ำด้วยกันแล้วอุปโภคเนี่ก็ชักชวนทีแรกชักชวนด้วยปากเปล่าไม่ไปเอาจับแขนจับแขนชักชวนก็ไม่ยอมไปบันนี้ก็จับผมเปียพอจับผมเปียก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่เรื่องนี้ดูท่าจะสำคัญมากเพราะว่า ใครๆนั้น ม, มันย่อมไม่สามารถที่มาจับผมเปีย เ, เราได้เลยก็เขาถือกันมากนีนพวกคราม่ะแต่เพื่อนของเราคนนี้นะั้นสามารถมาจับผมเปีย เ, เราอย่างนี้นี่ดูถ้าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องสําคัญแน่เพื่อนถึงได้ลงมืออย่างนี้ก็จึงได้ตกลงว่าไปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแล้ว พระพุทเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ฟังก็คงจะทรงสแสดงให้เหมาะสมกับอุปนิสัยวาสนานั่นแหละก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสทันทีเลยเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเลยเพระองค์ก็บวชให้พอบวชให้แล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยจบพระไกรปิฎก แล้วก็สั่งสอนสานุสิ์ให้ศึกษา เ, าเรียนสืบต่อกันไปคนสมัยนั้นอายุสองมืนปีเป็นอายุไขัะนั้นในชาตินั่นแหละพระองค์ได้เผยแผ่พระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนทั้งนักบวชทั้งคฤือหัสมากมายอาก็เพราะว่าได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ ถึงออกบวชอย่างไรก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ในชาตินั้นมันขาดความปรารถนา <c oughs> นี่แหละให้พากันพิจารณาเอาฟังเอาอันพระโพธิสัตว์ที่ทันสร้างบา ร, รมีมาในสงสารนี่นะแม่ผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนะเมื่อคราวใดมาเกิดในโลกนี้ หากมาพบพุทธศาสนาบางคนก็ได้ออกบวชเมื่อบวชไปแล้วอินทร์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ได้ก็ยังบรรลุมรคนิพพานไม่ได้ในชาตินั้นแต่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปบางชาติเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนา ก็ได้ออกบทเป็นฤาษีดาบทบำเพ็ญพจอยู่ในป่าเขาลำเนาไัยในตำราท่านกล่าวว่าส่วนมากพวกฤาษีนี่ <c oughs> ชอบไปอยู่แต่ในป่าหิ ม, มพานคือในประเทศอินเดียเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของโลกผู้มีบุญทั้งหลายส่วนมากก็ไปเกิดในประเทศอินเดียนั่นแะ พวกนักบวชออกบวชไปอยู่ในป่าหิมพานต์คนสมัยนั้นก็ไม่มากบ้านี้ต้นไม้อันใดก็อุดมสมบูรณ์ไม่ดอกไม่ผลไม่อดไม่อยากพระฤาษีเหล่านั้นประหาเก็บเอาอผลไม้นั้นมาหบฉันแทนข้าวก็อยู่กันไปได้นี่หละการที่ท่านออกบวชเป็นฤาษีดาบท อันนั้นก็แสดงว่าไปประพฤติในขมมะบารมีบางชาติก็ได้ไม่ได้ออกบวชได้ครองเลือนเมื่อได้ครองเลือนก็ได้ทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถอันชีวิตของคนเราที่เป็นมาในสงสารนะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมันสุดแล้วตั้งแต่กรรม ที่ตนทำลงไว้นั้นมันจะแต่งไปอย่างไรผู้ใดทำกรร ม, มันใดกรร ม, ม น, นั้นก็ตามตกแต่งให้อย่างนั้นไปตามความชอบใจของผู้นั้นมันหนีกรรมไปไม่พ้นคนเราเนะ่ะเอาผู้ที่ชอบอยากจะเป็นผูเทธเจ้ า, าสร้างบุญบา ร, รมีไป เมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เมื่อพระบารมียังไม่เต็มก็ยังไม่ได้ตัดสรุก็ต้องสร้างบารมีเรื่อยไปผู้ไม่ไปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ได้ทาบุญให้ทานนักษาสนไปฟังธรรมไป แต่บางชาตินะเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาก็าอาจจะหลงนับถือเทวดาอินพรหมไปตามความนิยมของคนสมัยนั้นนหะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้เนะี่ยพอมีผู้เอาศาสนาพามาเผยแผ่เท่านั้นนะคนไทยเรานี่ก็พากันนับถือไปเลยนี่แสดงว่า การท่องเที่ยวมาในสงสารแต่ชาติห้นหลังเ้วยนะ่ยะก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์นี่มาเคยทำพิธีบวงสวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มารับบวงสวงแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีมีลาบสักการะมากมายอะไรว่ากันไปนิสัยอัไรนะมนติดตามมานะ่ะ เพราะฉะนั้นมันถึงได้หลงไหลนับถือกันจนถึงในปัจจุบันชาตินี้พ่อค้าหัวใสมันก็สร้างศาลเจ้าทำอย่างสวย ง, ง, งามเอาตั้งไว้ขายให้ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาพรา์นี่แหละซื้อเอาไปตั้งไว้ในบ้านเจ้าของอันบู่นี้นะ ม, มันเมื่อเวลาอินทรียบารมียังไม่แก่กล้าปัญญายังอ่อนอยู่่ะมันก็เลยต้องถือไปทุกอย่างเจออันใดก็ถืออันนั้นเอา้าเกิดมาพบพุทธศาสนาบ้างศาสนาพราหมณ์บ้างค น, นกันก็นับถือสองอย่างนั้นไปอย่างนี้แหละลองสังเกตดูคนเรานะคราวนี้เมื่อผู้ใด ได้มาศึกษาสดับสรับฟังคําสอนของผู้โดยเจ้าโดยที่ท่านย้าถึงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่ผู้ฟังเข้าไปเราพิจารณาเห็นชอบตามแล้วเออว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของตนนะผู้ใดทํากรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเรื่องความสุขความทุกข์ไม่มีใครหยิบยกออกมาให้ใครได้ มันเกิดจากผลแห่งความดีและความชั่วแต่ละบุคคลทำออากมาต่างหากมันมาเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็เว้นได้เลยแบบนี้นะเว้นลัทธิอื่นศาสนาอื่นแล้วไม่แล้วเพราะมองเห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้อันที่ว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นนี่นะอาศัยผู้อื่นรักษาดูแลให้ หรือว่าสิ่งสักติิธอื่นมาช่วยรักษาดูแลให้หมนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าตารัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าชีวิตของคนเรามีนี่มีเทวดามารักษาเท่านั้นตนเท่านี้องค์ว่าอย่างนี้นะไม่มีในตำราเลยแต่ว่าตำราพรามนะเขามีเนี่ยออย่างเช่นว่า นี่แหละเรื่องเอาศาสนาพราหมณ์มาปนกับศาสนาพุทธเช่นอย่างเรื่องหล่อพระประจําวันหมู่นี้นะเอาวันอาทิตย์พระประจําวันนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นวันจันทร์พระประจําวันอย่างนั้นอะไรมันก็เอามาบวกกับศาสนาพราหมณ์เข้าไปเอาคนไทยเราก็เชื่อไปบูชาเอามา อย่างนี้แหละเช่นพระห้ามญาติพระปางลีลาบ้างพระสะดุงมานบ้างอ ะ, อะไรหลายจนว่าครบแหละจนครบปีวันเกิดของคนวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นู่นแต่แท้ได้จริงแล้วในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้เลย แต่คนก็ไปเชื่องมงายกันนะไปเชื่อจากตำราพราหมณ์เอามาแทรกพุทธศาสนาเข้าไปหนูนี่นะนั่นสมควรศึกษารู้ให้เข้าใจอันพระพุทธรูปนี่หล่อขึ้นไว้สำหรับเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเองนะไม่ได้หมายเป็นอย่างอื่นเลย เพราะในฐานะที่เราเรานับถือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้ก็จึงได้มีรูปพระองค์ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาเป็นเหตุให้จิตใจน้อมนึกถึงพระคุณของพระองค์และจะไม่ได้ประมาทกับพยายามสำรวมจนให้ดีตลอดไปถ้าเพียงได้แค่เห็นรูปเขแล้วก็ไปกราบไปไหว้เท่านั้นเหลือบันนี้ ไม่เพียงพม่ยามคิดจะละความชั่วทำความดีตามที่พระองค์เจ้าแนะนำไว้อย่างนี้การกราบการไหวการนับถือพระพุทธโลกวันนั้นก็มีผลน้อยไม่มีผลมากอืผู้ได้เห็นพระพุทธรลกแทนองค์พระพุทธเจ้าแล้วออมีศรัทธาเลื่อมใสขึ้นว่าในพระคุณของพระองค์แล้วก็น้อมนึกว่าพระองค์สั่งสอนพุทธศาสนาชนิกชนอย่างไรบ้าง เออพระ อ, องค์สอนในคนเราละความชั่วทำความดีเอาตัวของเราเนะี่ยมีความชั่วอะไรอยู่ในตัวนี้บ้างอย่างนี้นะมันต้องทบทวนเข้ามาดูเมื่อรู้ว่าเออตนนะมันยังชอบทำความชั่วอย่างนี้อยู่เช่นนี้แล้วก็เทียนละความชั่วนั้นออกจา ก, กจิตใจซะแล้วความดีในที่ตนยังไม่ได้ทำเช่นอย่างว่าศีล ยังรักษาให้สมบูรณ์ไม่ได้ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้นะอา้าวก็พยายามรักษาให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีต่อไปภาวนาเนอะได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาไหมไม่เลยถ้าวันดใดเหนื่อยเมื่อยล้าเกลียดคลั่งขึ้นมาก็ไม่เอาแล้ว เ, เวลาใด้คิดหมั่นขึ้นมาจึงค่อยนั่งสวาธิภาวนา ออย่างนี้ก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องอันภาวนานี่นะมันได้ทุกเรียบทเมื่อนั่งไม่ไหวก็ต้องนอนภาวนาไปจนหลับไปไม่ใช่ว่านอนแล้วไม่ต้องไม่มีภาวนาเลยไม่ใช่อย่างนั้ น, นเพราะว่านอนลงไปก็ใจดวงเดียวนี้กายอันเดียวนี้ไม่ใช่แตกต่างอะไระ การพิจารณาเกี่ยพิจารณากายอันนี้พิจารณาใจดวงนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนอนลงไปก็เป็นภาวนานั่งอยู่ก็เป็นภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินไปก็ภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เสมอไปก็ อ, อย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาเป็นผู้ไม่ประมาทไม่อ้างการอ้างเวลา เวลาใดก็เป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นเวลาควบคุมจิตเวลาประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเวลาใดก็เป็นเวลาที่เราพิจารณาให้รู้เท่าสังขารทั้งปวงว่ามีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเป็นอาการลิโกนี่นะ่ะความรู้ความเห็นอย่างนี้นะ่ะ อย่าไปอ้างการอ้างเวลาต้องฝึกให้มันรู้มันเห็นอยู่ตลอดไปเลยในอริยบททั้งสีอเ่นความตายอย่างนี้นะก็ต้องนึกให้มันเห็นทุกวันทุกเวลาไปเลยแหละต้องเตือนตนให้รู้สำนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายนะความตายมันขวางหน้าอยู่นั้นแหละหลีกไม่พ้นเลย นี่อย่าประมาทก็แล้วกันไม่ทราบมันจะตายเวลาไหนแต่ต้องเตือนตนอยู่นี่บ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็มันก็สัมรวมจิตได้แล้ววะนี้เมื่อมา น, นึกถึงว่าก็เมื่อเมื่อเราจะตายจากโรคอันนี้ไปอยู่แล้วนะแล้วทําไมจะมามัวเมาผูกพันอยู่กับโรคอันนี้ผูกพันแล้วเอาไปด้วยได้เหรอไม่ไม่ได้เออเอาอะไรติดตัวไปน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ อา้าอะไรเราติดไปแบบนี้อา้าบุญกับบาปเนี้หรือว่ากิเลส ท, ที่ยังละไม่หมดนั่นแหละมันติดตัวไปอ่ะนั่นต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดทำบุญมากบุญแล้วมันก็ให้ผลกรบุญก็มารองรับเอาเมื่อเวลาจิตออกจากร่างอันนี้ไปผู้ใดทำบาปมากกว่าบุญ บาปมันก็มีอิทธิพลมารองรับเอาดวงจิตนี้ไปสเสวยทุกอยู่ในนรกอบายภูมิอบุญนั้นค่อยให้ผลในภายหลังหลังจากบาปให้ผลหมดสิ้นลงไปเมื่อใดบุญนั้นก็ให้ผลต่อภายหลังมันก็มีแต่เท่านี้แหละที่ติดตามคนเราไปนะแต่ท่านพูดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะั่นนะ ไม่มีอะไรติดตามสักหน่อยเดียว ม, มีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่า น, นั้นแหละเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยท่านว่านิพพานแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็ว่าเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จากอาสวัคกิเลสทั้งหลายแต่ถ้าหมดอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็ว่าท่าน ผู้นั้นนิพพานแล้วแปลว่าดับดับอะไรกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้ทเที่ยวเกิดทเที่ยวตายเป็นเหสงสารมันดับหมดมันไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลย mm hmm. อย่างนี้แหละเมื่อกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆนี่มันดับจากจิตหมดแล้วจิตนี้ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนําไปเกิดอีกก็นิพพาน mm hmm. ท่านก็วันยัดว่านิพพาน นั่นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือดวงกิดดวงนั้นแหละนิพพานน่ะดวงกิดดวงนั้นอ่ะยุดไม่ท่องเที่ยวไปเกิดที่ไหนท่านก็เลยบัญญัติว่าพระนิพพานนี่แหละให้พากันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งถ้าถ้าจิตตรงนี้ยังยึดถือกิเลสตัณหาอาวิชชาอะไรอยู่อย่างนี้นะตัณหาอาวิชชาเหล่านี้นะก็พาดวงกิดนี้ไปหาที่เกิด ในพบ น, นั้นๆในชาติา น, นั้นๆต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังเหตุผลเรื่องชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี้แล้ว เ, ออเมื่อผูใ้ใดเบื่อทุกขภายในสงสารแล้วก็พยายามละกิเลสตัณหาอวิชชานี่ให้มันน้อยไปหมดไปหมดไปโดยลำดับแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ถึงปริพนันในวันหนึ่งข้างหน้า ให้ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้